จะว่านึกก็ได้จะว่าคิดก็ได้จะว่าสติก็ได้แต่แปลตามตรองสติเราว่าความระลึกได้มันเกิดขึ้นสองลักษณะลักษณะหนึ่งมันระลึกได้เองรีกเรื่องเก่าๆสมมุติอย่างเรื่องอะไรก็ตามที่ก็ตามที่อยู่ๆอันโผล่มาอันนั้นโผล่มาหรือเราจะว่าสติก็ใช่เราจะว่าสังขารก็ใช่ทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นสังขาร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 มันระลึกขึ้นเองก็ตามมันจะเกิดจากระลึกด้วยการที่เราตั้งเหตุไวอ่าเป็นการนำเองก็คือลักษณะของสติสติเป็นคุณสมบัติของจิตจิตคือผู้รู้จิตคืออะไรเราน้อมมาที่ตัวเราทั้งหมดนี่เรามีผู้รู้ผู้รู้เราของเรานั่นแหละภาษาบาลี้าเรียกว่าจิตอืมภาษาไทยที่อีกอย่ายงหนึ่งก็คือ ใจใจเป็นภาษาไทยจิตเป็นภาษาบาลีจิตตังใจจอสไรใจถ้าเราจะไปเทียบกับต้นไม้ก็คือใจกลางของต้นไม้ไปเทียบกับตัวเมืองใจกลางเมืองเนี่ยอะไรที่เป็นกลางกลางท่านมักจะเรียกว่าใจใจบางครั้งครูครบราอาจารย์ท่านก็นเทียบมาที่แกนนํารูปธรรมนามธรรมของเราทั้งหมดคือใจใจกลางเี่ยท่านเรียกว่าใจ แต่ถ้าตามหลักภาษาบาลีจริงๆผู้รู้ของเราท่านแปลว่าจิตก็ได้มโนก็ได้มโนแปลว่าใจจิตก็แปลว่าใจมนายตนะอย่างนี้ก็ได้อหรือจิตตะวิญญาณอย่างนี้ก็ได้หรือวิญญาณอย่างนี้ก็ได้หมายถึงตัวจิตเราดูไปที่ไหน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 อาศัยรูปธรรมอาศัยนามธรรมจิตของเรานะั่นน่ะตราบใดที่ยังเป็นอยู่มันจะวนเวียนไปการมาโลกรูปโลกอรูปโลกสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของใจนั้นจะไปปรากฏตามคุณส ม, ณณสมบัติของภพของภูมิเช่นอย่างมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคุณสมบัติภายในจิตของมนุษย์เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เป็นสติสติคือความระลึกได้ สัมพัชัญญความรู้ตัวเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่เป็นฝ่ายดีของจิตแต่จิตคือผู้รู้ของเราทุกคนอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่อุบัติเกิดขึ้นมาลอยลอยมีสิ่งที่ไม่ดีปนเปื้อนมาด้วยมีสิ่งที่เป็นมลทินผลเปื้อนมาด้วยคืออวิชาตันหาอุปาทานรวมไปแล้วก็คือกิเลสกิเลสทังก็เรียกอวิชาทั้งก็เรียกตันหาทังก็เรียก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 คือกิเลสคืออวิชชานะั่นแหละสิ่งที่ปนเปื้อนมาด้วยมันปนเปื้อนมาปนเปื้อนมาได้ยังไงจิตของเรากับกิเลสหรืออวิชชาตันหาวปาทานมันปนเปื้อนมาได้ยังไงหากมันเป็นธรรมชาติของมันเองมันพัฒนามาจากนั้นของมันเองเหมือนกับว่าผู้รู้ของเราเนี่ยถูกพัฒนามาตามหลักธรรมชาติ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 อ่าโลอกลอกมนุษย์โลกสวรรค์หกชั้นเนี่ยสวรรค์หกชั้นลอกมนุษย์แล้วก็โลกอบายอย่าเงี้ยอบายภูมิเนี่ยทั้งหมดนี้ทฤษฎิกามโลอกกามโลกยังวนเวียนอยู่ในกาเนีพวกนี้อาศัยเกิดมาด้วยฤทธิ์เดชของกามอำนาจของกาลยื้อใหญ่ของกามแต่ถ้าไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอำนาจของกามไม่มีความยื้อใหญ่ในกามเหมือนอย่างผู้ที่ท่าน ปฏิบัติได้แล้วเช่นอย่างพระอนาคามีท่านไม่มาเกิดท่านไปเกิดในภพอีกภพหนึ่งเป็นภพของผู้ที่บริสุทธิ์จเทียก ว, ว่าสุทธาวาสสุทธาวาสเป็นพจภูมิของผู้บริสุทธิ์จิตหรือใจหรือผู้รู้ของเราแต่ละดวงแต่ละดวงนั้นนะ่ะแท้ที่จริงตามหลักธรรมชาติมันก็มีแค่ดวงเดียวตามหลักอภิธรรมท่านก็เรียกกิริยาอาการของจิตน่ะท่านมาแยกแยะจิต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 เกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดบนสวรรค์บ้างตกนรกบ้างาที่เรียกว่ากรรมโลกในกรรมโลกนั่นแหละมันมีทั้งกุศลมันมีทั้งอ ก, กุศลมันมีทั้งวิธีการเพื่อที่จะที่จะเข็ดลาบกับความทุกข์ที่เรามาประสบพบเห็นเพราะฉะนั้นจึงมีการออกบาเพ็ญเหไหมพอไปบาเพ็ญปัป๊บจิตได้รับความสงบได้ภูมิได้ชั้นของฌาน ฌานชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เนี่ยเวลาตายปับ๊บไปเกิดในรู ป, ปรโลกพวกรู ป, ปรโลกก็คือพวกที่มีที่มีคุณสมบัติคือมีองค์ฌานอยู่อยู่ภายในใจมีภูมิของความสงบเพราะ ง, งั้นมีอารปณ์โลกก็คือพวกที่พิจรณาอารมณ์ฌานนี่ยที่ท่านเรียกว่ารูปภพอารม ป, ปร์ภพบางทีท่านก็เรียกว่าเอาอ พบาบางพบเนี่ยที่เราไปบัตธถ้าหากเราม า, มาเรียกเป็นพบเช่นอย่างเช่นอย่างาาพบ ท, ท, พบ ท, ทพบบี่มีแต่รูปอย่างเงี้ยเช่นอย่างพบที่พบไปบัตธมีแต่รูปไม่มีนามมีแต่รูปไม่มีนามบางพบที่เราไปบัตธ มีตนามไม่มีรูปมีตนามไม่มีรูปก็คือพวกอรูปภพนั่นเองพวกอรูปภิชานพวกอรูปภโลกอ่า uh huh. ไปปฏิบัติในภพที่มีแต่รูปไม่มีนามอ uh huh. อันนี้ปฏิบัติมีแต่รูปจริงๆไม่มีนามคือนามไม่ปรากฏอ่าอันนี้เขาเรียกว่าพวกพรหมประเภทว่าอสัญญาสัตอสัญญาสัตว์คำว่าอสันญาสัตว์แปลว่า ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนไม่มีความรู้สึกเกิดความรู้ว่ามีจิตรู้นู้นรู้นี้ไม่มีหากดำรงตนอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนผลไม้เหมือนอะไรอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถูกรักษาไว้ด้วยกรรมมีพวกพวกพวกรูปประพบพวกกรรมปพบก็ไปุบัติเป็นเทวดาบ้างไปบัตเป็นมนุษย์บ้างไปบัตเป็นสัตว์นรกบ้างหรือท่านเรียอีกอย่างหนึ่งว่าเออ่มาเกิดในภพ ที่มีขันห้าเนี่ยมาเกิดในภพที่มีขันห้าเช่นอย่างมนุษย์เราเนี่ยมีรูปพระขันมีเวทนาขันมีสัญญาขันมีสังขารขันมีวิญญาณขันนี่ที่เรียกว่าท่านเรียกว่าปัญจโวการมีอาการห้าแล้วก็ประเภทเอกโวการก็คือพรหมที่ว่าเป็นอสัญยีสัตว์ะไม่มีความรู้สึกอยู่กับกับเนื้อกับตัวแต่พวกนี้เป็นพิษสงจากการพิจารณาฉ่านปองฌาน พิจนาองค์ชาญไม่ถูกตามลักษณะเหล่านั้นเวลาดับขี้วาชนไปปั๊บไปเกิดเป็นอสัญญีสัตว์แล้วก็จตุวการจตุวการคือมีแต่อาการห้าอันนี้คือคือพวกอรูปภพแท้ที่จริงก็คือมันอันเดียวกันแต่จะเรียกชื่อไปแตกต่างกันเท่านั้นเองรูปโลกอรูปโลกอ่ากามาโลกรูปโลกอรูปโลกมันก็อันเดียวกันกามาภพรูปภพอรูปภพ ก, ก็อันอันเดียวกันปัญจโวการ ปัญจโวการก็คือพวกที่ไปกําเนิดไปถือกําเนิดถือกําเนิดมีอาการห้าเหมือนอย่างมนุษย์เราสัตว์บางจําพวกเนี่ยอพวกสัตว์บางจําพวกเช่นอย่างควายวัวเงี้ยมันออกรูปมาเป็นเป็นตัวเงี้ยที่ที่ที่าเรียกว่าอ่าอ่าอ่าชลาพุชะเนีชลาพุชะกำเนิดที่ท่าเรียกว่ากําเนิดชลาพุชะกําเนิดไปเกิดในขันบางทีท่านเรียกว่า อันทชะเกิดในไข่อย่างเงี้ยไข่เป็ดไข่ไก่อย่างงี้นี่คือกําเนิดของสัตว์นะอสังเสทชะโอปะปาติกะสังเสทชะพวกเกิดในเท่าในใครในสิ่งสกปรกเช่นอย่างพวกหนอนพวกอะไรมันไปเกิดในที่เปื่อที่เน่าที่อะไรตัวอะไรเนี่ยสังเสทชะแล้วก็โอปะปาติกะนี่นี่ท่านพูดถึงกําเนิดแท้ที่จริงก็วนอยู่ในนี้แหละอยู่ในกาลโลกรูปรโลกอรูปรโลกสิ่งทั้งหมดนี้ผิดผลไปจากอะไร ไปจากจิตคือผู้รู้หนึ่งเดียวนี่เองหากมันพัฒนาเป็นพบภูมิไม่มีจบไม่มีสิ้นหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนไปหากหมุนกลับไปหมุนกลับมาต่ำบ้างสูงบ้างอยาบ้างละเอียดบ้างตามอำนาจของกรรมของพฤติกรรมที่ที่เกิดจากการกระทําของตัวเองแน่เช่นอย่างมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดมาแล้วทําดีมีศีลมีธรรมเนี่ยไปอุบัติอีกก็ไปอุบัติเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์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 แค่ศีลห้าท่านให้เราสมาทานศีลห้าถ้าเราถือได้มั่นคงตามหลักของศีลห้าเราก็จะมีกายกรรมบริสุทธิว์วาจีกรรมบริสุทธิ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พระพุทธพิดในกรรมนี่ทาให้กายกรรมของเราบริสุทธิ์ไม่พูดเท็จพูดอย่าพูดซอเสียดพูดเพลยเจอรวมไปถึงศีลในกรรมมาบททั้งสิบมาเราไปดูสิศีลในกรรมบทนนรรมบทั้งสิบกายกรรมสามวาจีกรรมสีมนโนกรรมสามลองไปไล่ลองดู อันนี้ก็เป็นเหตุให้ไวจีกรรมของเราบริสุทธิ์ไวจีกรรมจะเป็นเหตุให้เราตกเป็นเหตุให้เราตกทุกข์ได้ยากได้บาปได้กรรมกายกรรมเป็นเหตุให้เราทุกข์ยากให้เราได้บุญได้บาปได้บุญได้กรรมเรื่องกายกรรมเรื่องไวจีกรรมกำเนิดทพภูมิต่างๆที่จะไปอุบัติได้ก็จะไปอบัติตามพฤติกรรมที่เราทํานี้เองวิธีปฏิบัติเพื่อที่ชํารวมระมัดระวังให้เกิดความบริสุทธิ์ ในกรรมทั้งสามเนี่ยม so ันจะพันกันไปหมดกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นต้องการให้กายกรรมของเราบริสุทธิ์ท่านจึงให้รักษาศีลต้องการให้วิจีกรรมของเราบริสุทธิ์เราต้องรักษาศีลไม่พูดเท็จพูดหยาบพูดโสเสียพูดเพือเจิดรักษากายกรรมให้บริสุทธิ์ต้องรักษาศีลไม่พูดเท็จพูดหยาบไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เพ้อพูดผิดในกาไม่ดื่มสุราเม่ไรทั้งห้าอย่างนี้มันเป็นโทษ แต่มันเป็นโทษขั้นสินถ้าหากเราถือได้เคร่งตามนี้แน่ทำให้กายกรรมของเราบริสุทธิ์มองเห็นได้ด้วยตัวเราเองทำให้วาจีกรรมของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วยด้วยการปฏิบัติของเราเองเรารสามารถรักษากรรมวิจีกรรมของเราให้บริสุทธิ์ได้แต่าหากเราล่วงละเมิดกายกรรมเป็นทุตจิตคือวิคือกายกรรมของเราไม่บริสุทธิ์วจีกรรมของเราทุตจิต เวิจิกรรมของเราก็ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ก็คืออะไรก็คือเหตุว่ามีกิเลสมาแทรกเข้ามามาแทรกเข้ามาที่ใจและให้เรามาแสดงออกที่กายแนะ่มีกิเลแสแทรกเข้ามาที่ใจให้เรามาแสดงที่วาจาโดยเหตุที่กายที่วาจาของเราเนี่ยเป็นไปสูงสูงต่ตําๆผิดศีลผิดธรรมบ้างมีศีลมีธรรมบ้างมีอะไรมีอะไรมีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนี้ จึงเป็นเหตุทําให้ภพชาของเราต้องเปลี่ยนไปอย่างไม่จบไม่สิน้นเราสามารถทําให้บริสุทธิ์ได้ด้วยด้วยศีลห้าตั้งแต่รักษาศีลห้ากายกรรมวจีกรรมของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขั้นรักษาศีลคําว่ากรรมคําว่าพฤติกรรมคือกิริยาอาการการกระทําของกายของวิจาของเราเราจะกระดุกกระดิก พ, พลิกแผลจะทํายังไงก็ตามกิริยากายเป็นกายกรรมกิริยาวิจาเป็นวจีกรรม แต่กิริยาบรรดาอย่างอื่นทั้งหมดไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีเวรไม่มีภัยแต่ถ้าเป็นกิริยาฆ่าสัตว์รักทรัพย์เพระพฤ่งผิดในกรรมมีเวรมีภัยมีบาปมีกรรมท่านจึงไม่ให้ทําเพราะทําไปแล้วผิดศีลด้วยไม่ใช่ผิดศีลอยเฉยมีเวรมีภัยมีบาปมีกรรมพูดเท็จพูดอยาพูดส่อเสียก็เช่นเดียวกันผิดศีลด้วยเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมเวรภัยบาปกรรมนี่แหละมันจะทําให้เราหมุนไปในโลกไม่รู้จบจบไม่รู้จักสิ้น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 ความปรารถนาความนึกความคิดความต้องการของคนเรานั้นอาจจะแตกต่างกันไปนานาคิตตังพระองค์มีความชอบธรรมที่เราจะมีความนึกมีความคิดที่จะตั้งใจปฏิบัติเพื่อที่จะรู้เพื่อที่จะเห็นเพื่อที่จะกําจัดสาเหตุแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ให้หมดไปจากพระทัยของพระองค์เพราะฉะนั้นจึงมีการตั้งปณิธานเห็นไหมตั้งความปรารถนาก็จะได้มาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่พระองค์ต้องสร้างบุญญาบารมีมากมา ย, ม, ายมหาศาล ประเภทสี่อสงไขยแสนมหากรัปประเภทแปดอสงไขยแสนมหากัปประเภทสิบหกอสงไขยแสนมหากัปอสงไขยห น, น, นึ่งอสงไขยหนึ่งกันานเหลือเกินแค่กรัปหนึ่งกรับหนึ่งนี่โอ้เนื่อนา น, านาสิจนเราดูแต่พัทธกัปพัทรกัปที่พวกเราอยู่นี้มีพระพุทธเจ้าม า, าบัตตั้งห้าพระองค์เดี๋ยวดูตอนนี้ก็ยังยังอยู่ยังเป็นพัทรกรัปอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วสี่พระองค์เนี่ยยังเป็นพัทรกรัปอยู่เราดูสินานเนื่นนานสักเท่าไหร่ ท่านพูดไว้ว่าบางกลับไม่มีพระพุทธเจ้าไปอบัติเลยบางกลับมีพระพุทธเจ้าเสาะไปอบัติสององค์บ้างสามองค์บ้างเนี่ยแต่พวกเราโชคดีมากเราเกิดในกลับที่ที่เรียก ว, ว่าพัดถ้กลับพัดระกลับเป็นกลับที่งามมีพระพุทธเจ้ามาอบัติมากเป็นกลับที่งามแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นประเภทปัญญาที่กลับพูดถึงอายุไขของพระองค์แค่แปดสิบแปดสิบปี มีอายุน้อยมาเกิดในยุคที่โลกมีสัตว์มีอายุน้อยตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาว่าพระสิริยะเมตไตรท่านจะมาบัดในยุคที่มนุษย์มีอายุสองหมื่นปีเนี่ยแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยมนุษย์สัตว์จะมีอายุไม่เท่ากันเนี่ยเพราะบุญญาบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าแตกต่างกันการที่ท่านจะมาบัดนั้นท่านก็จะต้องเลือกอีกอืม ดูพ่อดูแม่ดูตระกูลดูอายุดูทวีปดูอะไรต่ออะไรไปหมดก่อนที่ท่านจะมาอุัติแต่ก่อนที่ก่อนนั้นตั้งความปรารถนาปรารถนาแล้วเต็มแล้วรอจังหวะโอกาสที่จะมาอุัตติต้องต้องลำบิตถึงที่เกิดทํบุตถึงพ่อถึงแม่ถึงตระกูลถึงทวีปเงี้ยถึงอายุของศัตว์เหมาะสมขนาดไหนเพียงใดกับบุญญาบา ร, รมีของพระองค์แต่ละพระองค์กว่าพระองค์จะ สร้างบัมเป็นบารมีมาเต็มเปี่ยมเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราพวกเราก็ได้ยินได้ฟังอ่าพุทธประวัติเนี่ยทําให้เราได้ยินได้ฟังว่าพระองค์มีจิตขวนขวายอ่าประกอบไปด้วยมองเห็นทุกเห็นโทษเห็นภายในวัฏฏสงสารเนื่องจากวัดแต่ละพบแต่ละชาติมาก็เค็ดลาบเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุดลบรรดาให้ตั้งอกตั้งใจขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ เสียสละหมดทุกสิ่งทุกอย่างสมมติว่าให้ทานเนี่ยทานบารมีให้วัตถุสิ่งของให้สมบัติให้สมบัติจั ก, กระพัดทั้งหลายได้บปวงให้ได้หมดวัตถุภายนอกเสียสละได้หมดเสียสละได้แม้กระทั่งกระทั่งลูกโอรรถธิดาเนี่ยเสียสละได้แม้กระทั่งภรรยาเนี่ยมาเหสีเหมือนอย่างสมัยเป็นพระเวสสันดรเนี่ยสเสียสละอลูกเสียสละเมียว่า ง, งั้นเถอะ เสียสละได้หมดของนอกกายนอกจากนั้นแล้วแม้แต่อวัยวะภายในกายก็สามารถเสียสละได้ทานอุปบาตอมีเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตนี่ครูพระเจ้าของเราเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตเช่นอย่างพระองค์เคยเกิดเป็นกระต่ายนอ่โดดเข้ากองไฟให้เปลี่ยนอาหารของดาบดอยู่ในป่าน่ะโดดเข้าไปตายในกองไฟบทที่ให้เปลี่ยนอาหารของดาบดอยู่ในป่าน่ะของฤกษีอยู่ในป่าน่ะ ให้ชีวิตเป็นฐานมีผลเมียในสงเป็นขั้นฐานพระมัตตบา ร, รมีเมียในสองนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงพูดถึงบา ร, รมีทานสินเนกามะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานอันนี่คือบา ร, รมีทั้งสิบที่พระองค์ทรงสร้างมาเพื่อที่จะได้มารู้หลักความเป็นไปของธรรมชาติอันนี้ที่เราพยายามพูดเราพยายามพูดถึงเหตุเพื่อที่จะได้มารู้ถึงว่าจิตใจ มาพอขึ้นเป็นเราเป็นท่านอยู่เดียวนี้มาจนถึงวิธีที่จะปฏิบัติตามที่พระเจ้ทาท่านได้ตรัสรู้ตามที่พระองค์ทรงตั้งปณิธานและเอาธรรมะเหล่านี้มาบอกมาสอนพวกเราพอถึงการถึงคราวที่พระองค์จะตรัสรู้ในวันเพียรเดือนหกเราก็ดูสิปฐมยามพระองค์ไปเรียนรู้มาหมดไปฝึกทรมานอย่างนั้นทรมานอย่างนี้แล้วก็ ที่เรียกว่าอัตเกอตอัตติธรรมะฐานนโยคคือทรมานกายให้เหน็ดเหนื่อยเปล่าแล้วก็ไปฝึกไปฝึกสมาธิกับอุทกดาบทอาราดาบทไปฝึกกับอ า, าราดาบทได้สมาบัติเจ็ดไปฝึกกับอุทกดาบทได้สมาบัติแปดซึ่งพระองค์เรียนไปเรียนจบภายในระยะเวลาที่ไม่นานคําว่าสมาบัติสมาบัติรูปสมาบัติอรูปสมาบัติในที่นี้หมายถึงภูมิชั้นความสงบของจิตคือรักษากาย ให้บริสุทธิ์ได้ด้วยศีลรักษาวาจาให้บริสุทธิ์ได้ด้วยศีลกายกรรมวิจีกรรมรักษาให้บ ร, ริสุทธิ์ได้ด้วยศีลแต่ยังเหลือใจอ่าไม่สนใจเรื่องกายเรื่องวายชาคำพูดแล้วแหละตั้งใจสัมรวมระมัดระวังสัมรวมระมัดระวังได้แต่กายสัมรวมระ ม, มัดระวังได้แต่วาจาแต่ตัณหาที่มันมากับผู้รู้ของเรานี่ยมันดีดดิ้นอยู่ที่ใจในเมื่อมันดีดดิ้นอยู่ที่ใจ วิธีการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญจนได้ตรัสรู้เกิดภูมิรู้ภูมิเห็นมากมายมหาศาลที่จะเอาภูมิรู้เหล่านี้วิธีการเหล่านี้อุบายต่างๆเหล่านี้มาบอกมาสอนให้แก่ บ, บรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงพระองค์จึงมาเข้าหลักที่ท่าเรียกว่าสมถะวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาจึงเข้าหลักอริยมรรคในองค์แปดสินสมาธิปัญญาแน่ศินสมาธิปัญญา ชินสมาธิปัญญาโดยเฉพาะพื้นเพของจิตน่ะมันมีคุณสมบัติอยู่ในนั้นมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามีอะไรตัวอะไสรสารพัดมีขันติมีโสรจัจะมีอะไรตามชื่อที่ท่านเรียกเอาไว้สิ่งใดก็ตามที่เป็นคุณสมบัติฝ่ายดีสิ่งเหล่านี้จะเกือ้อกูลกับจิตของเรากับผู้รู้ของเราสิ่งใดที่เป็นคุณสมบัติไม่ดีเช่นอย่างความโลภความโกรธความอิจฉาที่เสียความพยายามเนี่ยรวมไปถึง กามมาราคะทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุยั่วยุให้ความโลภยิ่งเกิดขึ้นมากยั่วยุให้ยิ่งความโกรธเกิดขึ้นมากสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นฝ่ายฝ่ายที่เป็นโทษที่ผลเปื้อนมากับผู้รู้ของเราเพราะองค์มาให้ความสำคัญมาให้ความหมายว่าตันหาตันหาถ้าเราไปดูในหลักปฏิจจสมุปบาทเราจะหมดข้อข้องใจ ปฏิจจสมุปบาทนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงทบทวนนะหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้ทรงสวัสิมุติสุขอยู่ในบริเวณต้นพระสีมหาโผน่นนะในที่เจ็ดแห่งแห่งละเจ็ดวันมีอยู่ที่ที่หนึ่งที่พระองค์ทรงไปรำพึงแล้วก็ทบทวนถึงความรู้ที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาทรงพิจารณาถึงหลักปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นโดยอวิชชาเนะี่ยอะไรเป็นเหตุให้เราเกิดเป็นเหตุเราตายกันแน่เนะ เนื่องจากว่าปฐมยามพระองค์ก็เกิดญานาทัศนะรู้เห็นพบชาติของพระองค์ไม่จบไม่สิน้นระลึกได้เป็นอสงไข์กับโอ้ระลึกได้เป็นอสงไขยอสงไขยระลึกได้เป็นอสงไข่กับระลึกได้เป็นกลับกับเป็นสังวัตกับเป็นวิวัตกับเป็นอสงไข่กับระลึกย้อนหลังไปไม่รู้จักจบไม่รู้จกสินส้นแสดงว่าพบชาติแต่ละพบแต่ละชาติ ที่ผู้รู้คือจิตดวงนี้มันไปจับจองมันยืดยาวมาเนิ่นนานมารู้มากมายมหาศาลขนาดไหนระลึกย้อนไปเทัลาเห็นหมดแต่ด้วยบุญญาบารมีที่พระองค์ตั้งความปรารถนานี้เองทําให้จิตได้รับความสงบเกิดพิจารณาเกิดความรู้เกิดญาณไม่ใช่ชาติเกิดญาณทัศน์เห็นพบชาติของพระองค์เองเกิดตายเกิดตายเกิดตายในในปฐมยามในมัชฌิมยามยาทธามกลางเห็นพบชาติของสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตาย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 นี่พิจรารณาตามหลักปฏิจจสมุปบาทอาวิจาด้วยเหตทุที่ไม่รู้นั่นเองจึงทําให้เราเนยะไปทําพฤติกรรมทุกอย่างเช่นอยากไปฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าฆ่าสัตว์แล้วเป็นโทษไปลักทรัพย์ไม่รู้ว่าลักทรัพย์เป็นโทษประพฤติผิดในกามที่ เ, า เ, เข า, เ, ข า, ขาเรียกว่าผิดประเวณีผิดพระเพยณีผิดลูกเขาเมียเขาผัวเขาเงี้เ้าเรียกว่าผิดพระเพณีทําได้เพราะไม่รู้มีอยู่จิตคือผู้รู้รู้อยู่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 หรือสมาบัตทั้งแปดนั่นนะสามารถสงบระงับดับตัณหาได้สงบระงับได้ตัณหาจะดิดดิ้นในหัวใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเราสงบระงับกายกรรมวิจีกรรมของเราทําให้บริสุทธิ์ได้บริสุทธิ์ได้บริสุทธิ์จากกิเลสนะสิ่งที่ทําให้จิตของเราเนี่ยปนเปื้อนมัวหมองอื mm hmm. คือมันพันกันนะ่ะจิตของเรานึกไมด่ดีคิดไมาดีโดยทํากายกรรมวิจีกรรมมโนกรร ม, ม ไปทํากายกรรมไวจีกรรมมโนกรรมจิตของเรานึกไม่ดีถึงแม้ว่าจะไม่เอากายกรรมไปสนองมันไม่เอาวจีกรรมไปสนองมันแต่มันก็ดีดดิ้นอยู่ที่ใจดีดดิ้นอยู่ที่ใจสามารถสงบระับได้ด้วยอํานาจของอารมณ์ฌานอารมณ์ฌานนี้อารมณ์ฌานนี้คืออารมณ์ที่เป็นธรรมเป็นบทธรรมอามากํามกับที่ใจเพื่อที่จะมาหยุดความดีดดิ้นของจิต ที่เป็นเรื่องของตันหาที่มันแทะเข้ามาที่หัวใจของเราตันหามันดิดยื่นที่หัวใจของเรามันแทะเมาที่หัวใจของเราหากมันชอบเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องอะไรที่มันชอบที่สุดมันก็นึกมันก็คิดมันก็ปรุงเรื่องเหล่านั้นนึกคิดปรุงไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเป็นเหตุเกิดกิเลสเพิ่มพูนทวีคูณอยู่อย่างไม่หยุดไม่ย่อนพระรุจยาสงบระงับที่กายที่วิจญาได้ยังเหลือจิตสงบ ระงับที่จิตได้ด้วยอารมณ์ฌานน่อารมณ์ฌานก็คืออารมณ์ของความสงบเราจะสงบอย่างเดียวท่านเรียกว่าสมถะสงบด้วยพิจารณาด้วยท่านเรียกว่าวิปัสสนาหรือท่านเรียกว่าสงบระงับได้อย่างเดียวท่านเรียกว่าสมาธิพิจารณาด้วยคือปัญญาวิธีการสองอย่างสามอย่างนี้เองเป็นวิธีการที่จะมาหันหน้าจอก็บอกมาต่อ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 เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ได้ขอให้ได้แม้กระทั่งชีวิตก็เสียสละขอให้ได้สิ่งเหล่านี้มาแน่ในที่สุดพระองค์ก็ประสบผลสําเร็จพระพุทธเจ้าท่านจะปรารถนาะเป็นประเภทประเภทใดก็ตามจะต้องต่อสู้มาอยู่อย่างนี้แต่ก็ต้องเป็นคนที่ใจเด็ดยิ่งกว่าเพชรตั้งความปรารถนาะดิง่งแนว่วเดียวเป็นสมาธิฏิไม่ยอมเปลี่ยนอยู่อย่างนั้น่ะกว่าจะมรุผลสําเร็จนี่คือพระพุทธเจ้า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 สังขารมันเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเนี่ยมันก็เกิดมาจากการพัฒนามีการพัฒนามาของมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเห็นไหมมันแสวงหาบางพบมันมีทั้งรูปทั้งนามบางพบมีแต่รูปไม่มีนามบางพบมีแต่นามไม่มีรูปนีมีแต่นามไม่มีรูปก็คือมีมแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พวกนี้ปิดเจริญฌานอยู่ในระดับที่สูงมาก ะชาญระดับชาญที่สี่นั่นนแะละทั้งประเภทว่าสัตว์มีตรูปไม่มีนามทั้งประเภทสัตว์ที่มีแต่นามไม่มีรูปเพราะเขาเจริญชาญสี่ไม่ได้พิจารณาเห็นในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เกิดความเบื่อหน่ายตามหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ชอบใจรูปในเมื่อไม่ชอบใจรูปเวลาไปโยบัติก็ได้แต่นามในเมื่อไม่ชอบใจนามเวลาไปโยบัติก็ได้แต่รูปมันเกิดขึ้นจากการเจริญชาญ แต่เจริญฌานผิดเจริญฌานไม่ถูกจนเจริญฌานไม่ถูกหลักแท้ที่จริงหลักของฌานก็คือแค่สงบระงรับดับแค่สงบระงรับตันหายให้นิ่งให้หยุดอยู่กับที่เท่า น, นั้นเองยังไม่ได้พิจารณาให้เห็นเหตุปัจจัยใ ห, ให้เห็นต้นตออะไรอเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้ได้ให้ไ ด, ด, ด้ตามกรรมตามพฤติกรรมที่ทานั่นเองอจึงไปได้อยู่จึงไปได้อย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาเห็นเห็นว่า อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้สงบระ ง, งับดับตัญหาได้เนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดรูปเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามเป็นปจัจจัยเกิดตาหูจมูกนิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะภายนอกอายตนะภายในมันก็มาสัมพันธ์กับอายตนะภายนอกอืมเป็นปจัจจัยเกิดอายตนะอายตนะเป็นปจัจจัยเกิดผัสสะสัมผัสกันกระทบกัน พัชระเป็นปัจจัยเกิดเวทนาแล้วไล่มาให้สุดเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพเป็นปัจจัยเกิดชาติเรามาไล่ดูไล่ดูตามนี้แล้วเราจะเห็นเหตุปัจจัยมันส่งช่วงกันมาเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงแต่เวลาเขาเกิดนัแจ็คเดี๋ยวเขาถึงกันหมดแต่พระเจ้ามาแยกแยะให้พวกเราศึกษาให้เกิดความให้เกิดความเข้าใจแล้วจะได้พิจารณาปรงลงตามนี้ มันเป็นกรีหมายป้ายทางที่จะทําให้เรารู้ที่ไปที่มาของกองทุกทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บทุกตายทุกควรามครวญวิโยคเศร้าโศกเอ้อเศร้าโศกเหงื่อแห้งระทมตมตรอมใจสารพัดเกิดขึ้นจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นี่เราพิจารณาตามนี้เราจะเห็นหลักที่พระพุทธเจ้าท่านท่า น, ท, า น, ท, านท่านตั้งไว้ให้พวกเราศึกษาทีนเรามาพูดถึงสมถะกับพิปัสนาสมถะก็คือการทําใจให้สงบการทําใจให้สงบนั้น เราจะต้องเอาอารมณ์ที่เป็นธรรมมาบริกรรมต้องอาศัยสติเป็นหลักเราดูไปที่สติสติดังที่ปรากบตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละสติอยู่ๆ ค, คือความระลึกได้ตามหลักธรรมชาติเอราะมันหนึ่งระลึกได้โดยโดยลำพังตามหลักธรรมชาติสองระลึกได้เพราะเราเราเริ่มต้นนึกคิดอย่างนั้นย่งในที่สุ ด, สดระลึกได้ในที่สุดก็คิดได้คือความตื่นรู้ของจิต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 เหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวในที่สุดพระองค์ก็ทําได้ประสบผลสําเร็จใช่ไหมพระพุทธเจ้าประสบผลสําเร็จสามารถอชะล้างอวิชชาตันหาอุปาทานออกไปจากพระจิตของพระองค์ได้เหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวถ้ารู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวนี่คือพร ะ, ระรจิตของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกอ่าจิตที่ไม่บริสุทธิ์นั้น่ะคือจิตที่ผลพื่นกับกิเลส จึงกลายเป็นกองสังขารกลายเป็นสังขารรูปกับสังขารนามสังขารรูปกับสังขารนามรกปการะกอบกันอีกก็เป็นกองสังขารนี่คือกองสังขารคนชื่อว่ากองสังขารนาก็พัฒนาไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นการที่เราจะเบื่อหนายในภพในชาติเพื่อที่เราจะไม่อบัติจะต้องไม่ไปเกิดอีกเพื่อจะเป็นเหตุให้ทุกข์ให้แก่ให้เจ็บให้ตายจําเป็นว่าจะต้องศึกษาจะต้องพิจารณาจะต้อง เจริญสติจะต้องเจริญปัญญาพระจารย์พระภูมิเจ้าจึงสอนวิธีการของเราหนึ่งเราสลัดสละดทีเดียวไม่ได้ขาดแต่ให้เราสงบระงับให้จุดอยู่กับที่เสก่อนคือไม่นึกไม่คิดตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสรบรสตามสัมผัสที่มันตกเป็นสัญญาอารมณ์ที่อยู่ภายในใจของเราสองเวลาเราตื่นรู้ที่จะเรียกว่าวิถีจิตวิถีจิต จิตขึ้นสู่วิถีรู้จักไม่ใหวิถีจิตวิถีจิตก็คือจิตขึ้นสู่เส้นทางกระบวนการเขาเหมือนเช่นอย่างจิตออกมารับรู้ทางตา่างเงี้ยรับรู้ทางหูทางจมูกเงี้ยท่านให้มีสติกำกับจดจ่ออยู่คําว่าสติกำกับจดจ่ออยู่ก็คือพยายามเอาสติมาปลุกจิตคือผู้รู้นี่ให้ตื่นโโร่อยู่ให้รู้อยู่หนึ่งเดียวไม่ใช่เห็นเห็นเป็นดีดีแล้วก็ชอบใจเนะี่ย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 อยู่เฉยเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วอยู่เฉยมันจะยินดีในสิ่งที่ควรยินดียินร้ายในในสิ่งที่ควรยินร้ายแต่ลักษณะการรายงานนั้นเป็นการลักการรายงานลักษณะเทศกับผู้รู้ที่ออกไปทำงานเพราะฉะนั้นตัญหามันจึงแทรกเข้ามาได้พระพุทธเจ้าทานทรงวางหลักใหญ่เอาไว้มหาสติมหาส ต, มาติมันจะมีครอบไปหมดมันจะมีครอบไปหมดเนี่ยท่านจึงให้เราพิจารณากาย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 หรือเราอยู่หน้างานในขณะที่เราทํางานงานต้องขีดต้องเขียนงานต้องนึกต้องคิดงานต้องวางแผนไข้ครวน่ะวางแผนระยะสั้นวางแผนระยะยาววางแผนอยา่าวางแผนละเอียดการวางแผนทั้งนี้ระวางแผนระวางแผนเราอมีหลักอะไรเราต้องมีหลักเหตุผลเป็นเครื่อประกันถ้าหากเราดูแหลกหลักปฏิจจสมุปบาทให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเราก็จะเรียนแบบเหตุปัจจัยเหล่านี้แหละ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 ท่านไม่ให้ให้ทําเพื่ออย่างอื่นการที่จะเห็นขันทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความเบือ่อความหนายคลายจางอย่างจริงจงังถึงขั้นละขั้นปล่อยขั้นวางขั้นเบือ่อนายคลายจางแล้วก็หลุดแล้วก็พ้นไปได้นั้นจะต้องดูให้เข้ากับหลักที่พระพจาท่านสอนคือหนึ่งสมถะกําหนดจิตให้สงบเข้ามาจะรู้ว่าจิตที่สงบนั้นจะเป็นจิตที่มีกําลังจะเป็นจิตที่มีพลังจิตที่สงบก็คือจิตที่มีสติ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 กำหนดจดจ่อเอาความเพียรมากำห น, นดจดจอ่อเช่นอย่างพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเราต้องการผูกจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์ธรรมที่เราพุทโธพุทโธการที่เราตั้งอกตั้งใจทำนี้แหละท่านว่าเป็นแบบอย่างแบบอย่างทำไมจึงว่าเป็นแบบอย่างพระพุทธเจ้าท่านปลูกฝังมาอย่างนี้สมถะทา่านให้ทํามาอยู่อย่างนี้ให้ดําเรื่องเดียวเนะี่ยบริกรรมเรื่องเดียวท่านใช้คําว่าบริกรรมบริกรรมบริกรรมคือทำซ้ำําๆซ้ำๆเช่นอย่างพุทโธพุทโธนี่ ก็ให้เราระลึกมีสติกำกับอยู่กับผู้รู้ของเราให้ผู้รู้กับจิตกับคําบริกรรมเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวไม่คลาดจากกันบางครั้งมีแต่คำบริกรรมกับจิตอมีแต่คำบริกรรมกับจิตขาดขาดความรู้สึกคําว่าขาดความรู้สึกในที่นี้คือขาดสติเหมือนเถอะมันทําได้นะเช่นอย่างปารามุบมิบมิบมิเหมือนอย่างเราสวดมนต์เราสวดจนคล่องเนี่ยบางทีปากเราสวดไปจิตของเราเล็ดลอดไป ไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยมันทําได้มันเป็นไปได้การบริกรรมให้จิตของเราตื่นร้อยู่นั้นน่ะผู้รู้หนึ่งคำบริกรรมหนึ่งสติผู้ปลุกจิตคือผู้รู้ให้ของเราให้ตื่นร้อยู่นั้นหนึ่งกำกับอยู่ด้วยกันอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวอยู่กับอารมณ์ที่ว่าพุโทโธพุโทโธวิตกคือความตริคือความนึกขึ้นพุทพุทเนี่ยพุทที่เสีย ว, ว่าตึกตึก ท่ททเาเรียกไปวิจตุกทีนี้วิจารตรองตรองก็คือประคองเอาอะไรมาประคองเอาสติแล้วนึกก็เอาสตินั่นแหละประคองที่เขาเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะตั้งสติขึ้นมาปั๊บสัมปชัญญะประคองประคองอะไรประคองอารมณ์ให้อยู่กับจิตของเราให้จิตของเราตื่นรอยู่จิตของเราจะตื่นโรออยู่กับอารมณ์ได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์ ถ้าสองอารมณ์สามอารมณ์มาปรากฏที่จิตดวงนั้น่ะจะไม่ชัดสักอย่างอารมณ์ใดก็ไม่ชัดสักอย่างเพราะฉะนั้นอารมณ์สมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามถ้าไม่ใช่อารมณ์หนึ่งเดียวจะไม่ได้ผลต้องเป็นอารมณ์หนึ่งเดียวอารมณ์หนึ่งเดียวจิตจึงจะสงบได้แม้จะสงบอยู่ในขั้นที่เรียกว่าวิตกวิจารณ์คือความตึกก็ตามคือสามารถสงบได้ในขณะที่สงบอยู่นั้นน่ะ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 มันเป็นผัสสะด้วยมันเป็นเวทนาคือความรู้สึกตา ม, มาด้วย ว, วิญญาณกับผัสสะมันก็มีลักษณะไปกระทบเหมือนกันนั่นแหละหนึ่งรู้หนึ่งไปกระทบกระทบมันมันเป็นอันเดียวกันอะไรเลยแหละแต่เวลาพาระพุทธเจ้าท่านสแสดงท่านมาแยกแยะให้เราเข้าใจจากผัสสะก็เป็นเวทนาผัสสะคือการไปกระทบเช่นอย่างตาไปเห็นรูปทีเว่าตากระทบรูป ในขณะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าจักขวิญญาณหูก็เช่นเดียวกันจมูกลิ้นกายก็เช่นเดียวกันต่อจากนั้นมาไม่ใช่มันไปกระทบเฉยๆกิยาการตามมาที่ที่ที่สันเตียกว่าเวทนาเวทนาเกิดความรู้สึกอ่าดีใจเกิดความรู้สึกว่าไม่ดีใจเกิดความรู้สึกชอบเกิดความรู้สึกไม่ชอบอืมเกิดความรู้สึกชอบเกิดความรู้สึกไม่ชอบอันนี้คือลักษณะ การกระทําของจิตของเราที่ทําตามวิถีของจิตถ้าเราพูดมาถึงขังน้นนี้เราพูดมาถึงขังน้นนี้มันเป็นขั้นของการระบบงานคือการต่อกอนกับตัญหาที่แทรกเข้ามาในหัว ใ, หใจของเราแต่ถ้าหากเราทําให้ใจของเราได้รับความสงบสงบระงับไปสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่เกิดขึ้นเหลือแต่ผู้รู้นะฮะเหลือแต่ผู้รู้ผู้รู้ของเรากับกับ อปีติความอิ่มออมันอิ่มยังไงลองลองทาให้ถึงดูมันอิ่มมันสงบยังไงลองทําให้ถึงดูเหลือปีติสุกเอกาตาเหลือสุขกับเอกคตาเอกาตาต้องเป็นพื้นถ้าไม่มีเอกาตาอะไรก็เกิดขึ้นไม่ ไ, มได้สักอย่างสุดท้ายเหลืออุเบกขาเอกคตาจิตไม่มีกิริยาการวางเฉยนิ่งสว่างโลยู่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 อันนี้จังทุกขังอนัตตาสังขารใดก็ตามขึ้นชื่อว่าสังขารมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารการมาโรคโลูปโรคอรูณปโลกเป็นกองสังขารทั้งนั้นรวมมาถึงอย่างพวกเราเราเนามาที่พวกเราเร า, เรามีกองสังขารรูปคือร่างกายของเราเรามีกองสังขารนามคือกายของเราขึ้นชื่อว่ากองสังขารนั่นน่นะมันเป็นสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปประกอบกันทีเรียกว่ากองสังขารในกองสังขานี้มันจะมีลักษณะ ไตรลักษณ์ที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่พุทธญาท่านมาช่องนี้ท่านมาตรงนี้ให้เราพิจารณาเพื่อใช่เกิดการเบื่อเกิดการหน่ายเป็นเหตุเป็นต้นตอบเป็นที่เกิดของสมถะเป็นที่เกิดของวิปัสสนาสมถะคือสงบระงับดับตัณหาในหัวใจของเราเฉยๆแต่จิตไม่ใช่ดับชิสงบระงับดับเฉยๆทําให้จิตดวงนั้นมีความสุขมีริษมีเดชมีอภิญญาสารพัดเราจะเห็นว่าเขาเอาสิ่งเหล่านี้มาเล่นบางทีก็หลงไปกับสิ่งเหล่านี้อีก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 ด้วยเหตุที่มีผู้รู้หนึ่งเดียวแม้แต่อัตตาก็ไม่มีพระองค์จึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาถ้าเป็นอัตตาแล้วถ้าเป็นอัตตาแล้วใไ้เราจะต้องบังคับให้เป็นไปนตามใจหวังของเราได้ด้วยเหตุที่ไม่ใช่อัตตานั่นเองเราจรึงบังคับบัญชาไม่ได้เช่นอย่างร่างกายของเราต้องแก่เราบังคับไม่ได้ร่างกายร่างกายของเราต้องเจ็บนี่เราบังคับไม่ได้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 เราเห็นมีกองสังขารใดบ้างที่อยู่รอบข้างตัวเราอยู่เท่าเดิมมีไหมนอกจากสิ่งที่มีอายุยาวเช่นอย่างก้อนเหล็กเนี้ยก้อนไม้ดุนไม้ดุนเหล็กหรือหรือเศษปูนหรือหรือเสาปูนอย่างเงี้ยไม่เห็นไปไหนอยู่เท่าเดิมอยู่เหมือนเดิมเราคอยดูร0อยปีสองร้อยปีสามร้อยปีห้าร้อยปีไปขนาดมันจะมีอะไรเหลือไม่มี เพราะขึ้นชื่อว่าระยะเวลาเนิ่นนานไปเท่าไหรสังขารแต่ละสังขารนั้นจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแม้แต่เหล็กชเัเดนเลดเอ่ยเพชรนินจินดาอะไรที่ว่าแข็งที่สุดในที่สุดก็จะต้องเปลี่ยนไปนี่ยโดยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าโอ้ภาวะอันนี้เป็นภาวะของธรรมชาติเราจะเกณฑ์ให้เปลี่ยนไปตามใจหวังของเราไม่ได้แล้วเราจะมายึดถือว่าเป็นอัตตาได้ย่งไง ทั้งเลยพิจารณาแล้วก็ปล่อยพิจารณาแล้วก็ปล่อยพิจารณาแล้วก็ปล่อยในสู่พระองค์ทรงเข้าถึงความเป็นอนัตตาในเมื่อพระองค์ทรงปล่อยปล่อยได้หมดอย่างนี้พระองค์สามารถเข้าถึงประมังสุขังเราไปดูอาจารย์ของพระองค์อุทกรดาบตุตราระ ด, ดาบทเวลาท่านต้องการความสุขท่านก็เข้ารูปสามะบัติมาบัติทั้งเข้าอรูปสา ม, มาบัติขึ้นชื่อว่าความสุขทั้งหลายในโลกี รู ป, ปรสมะ บ, บัติคือฌานทั้งสี่อรูปปสัสมาบัติคืออรูปฌานสี่นี่เป็นความสุขขั้นสุดยอดของโลกีไม่มีความสุขอื่นใดเท่าอ่ทีนี้ตามคติของพราหมณ์เขาบอกว่ า, วาถ้าไม่มีอัตตาจะเอาความสุขมาจากไหนจะเอาอะไรมารู้ว่าสุขเพราะศาสนาพราหมณ์เขาเป็นศา ส, สนาแห่งอัตตาอัตตาอัตมันอัตมันไปดูที่ตามหลักของศาสนาของเขาใครเข้าถึง ใครเข้าถึงพระพรหมนะคนนั้นจะไปรวมตัวกันอยู่กับพระพรหมเป็นหนึ่งเดียวท่านเรียกว่าปรมาตมันปรมาตมันปรมาตมก็คืออัตตานะเองถืออัตตาถ้าไม่มีอัตตาแล้วจะเอาอะไรมาสุขนะรปปสอรูปปับัตวอบรูปปับัติเวลาท่านเข้าไปจริงๆแล้วมีความสุขมากอนะมีความสุขมากจนไม่สามารถจะปล่อยได้จะละได้จะวางได้ในสุกก็คือยึดความสุขเหล่านั้นพุทธเจ้าปล่อยหมด รูปปสมะ บ, บติพระองค์ก็ปล่อยอรูปปสมะ บ, บติพระองค์ก็ปล่อยแม้แต่การเข้าไปสงบพระงับถึงขั้นสัญญาวเวทยิ่งต น, นิโรธนี่ก็ไม่ใช่พระรนิพพานพระองค์ก็ปล่อยในในสุดพระองค์ก็ปล่อยหมดเห็นทุกเห็นโทษหมดแล้วก็ปล่อยหมดจิตเข้าถึงความเบื่อหน่ายคลายจางปลงปล่อยเกิดความรู้เกิดญ า, า, าณทัศนะรู้ว่าพระองค์หมดแล้วสิ้นแล้วอาสะวะัคค ย, ยาญาณ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 เวทนาเป็นปัจจัยเกิดตันหาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตันหาในเมื่อเวทนาเวลาเรามาอยู่หน้างานเรากําหนดรู้ว่าเวทนาสุขเราก็คนว่ารู้ว่าเป็นสุขความสุขอย่างหนึ่งผู้รู้ว่าสุขอีกอย่างหนึ่งอาศัยว่ากําลังของสติออาศัยกําลังของปัญญาเข้าไปรู้ว่าผู้สุขอย่างหนึ่งอ่ผู้ผู้รู้ว่าสุขอย่างหนึ่งดีอย่างหนึ่งผู้รู้ว่าดีอย่างหนึ่งะไม่ดีอย่างหนึ่ง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 พิจารณาในขณะที่เราตั้งใจพิจารณานั้นมันเป็นการใช้สติเป็นการใช้ปัญญามีสติปลุกรู้ตื่นรูอยู่ทุกระยะทุกกิริยาอาการตัณหามานแทงไม่ได้ตราบใดที่ยังมีสติกำนัดก ำ, กำกับกำหนดจดจ่ออยู่ตัณหาจะเข้าไปแทรกไม่ได้ทําไมจะแทรกไม่ได้ก็รู้ ร, รู้อยู่ตื่ น, ต, นตื่นอยู่จะเอาอยู่จะกําลังตั้งใจจะฆ่าคนอยู่แน่พวกความรู้เหล่านั้นมันเป็นมิจฉา อ่ามันมันมันไม่มันผิดมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชรู้ถูกรู้เพื่อจะฆ่าเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถูกแล้วอ่ารู้ก็ต้องรู้เฉยเฉยแล้วก็จบแล้วก็ดับเหมือนอย่างตาเราเห็นรูปเราเรามีสติกํากับจดจออยู่ตั้นหาแทรกไม่ได้รู้เห็นสักท้าว่าเห็นจริงๆริงนะได้ยินสักท้าว่าได้ยินจริง ๆ, ๆได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรไ ด, ได้สักได้สักท้าว่าสิ่งเหล่านั้นจริงๆเราจะทํายังไงเราจะพิสูจน์ได้ยังไงเรา สังเกตมาที่ใจของเราเราจะรู้เลยแหละเราสังเกตได้เราทดลองได้เราจับได้เลยแหละฉันโกรธปับป๊บล้วโกรธปั๊บเราเอาสติของเราเอาผู้รู้ขเราจิ้มไปที่ไอ้ความโกรดน่นะอ่าเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเวทนาที่กายนั่งเจ็บนั่งปวดเนี่ยเอาผู้รู้เราเจาะไปอยู่ท่ามกลางเวทนาเนี่ยสักแต่วารุพอมันขยับปั๊บจับขยับปั๊บจับขยับปั๊บจั บ, บ, จบพูดอย่างนี้ฟังยาก แต่ถ้าหากเร า, เ ท, าทำแล้วเข้าไปตรงนั้นเราสามารถทำได้อันนีเน้เป็นวิธีการสงบระงับดับตันหาซึ่งซึ่งเป็นสมุททยเป็นเจ้าเป็นจอมของวัตตะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นกับกองวัตะวัตตะสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคนเราพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านไม่เกิดทำไมท่านจึงไม่เกิดเพราะท่านทำท่านชำระตันหาให้หมดไป เมื่อหมดตัณหาแล้วก็อุปาทานมันก็ไม่มีอุปาทานนี้มันเป็นกิริยาที่ประกอบมากับตัณหาพอตัณหามันเข้าไปยึดเข้าไปเกาะจะิตปั๊บจิตพายุดมันไปเกาะจะ spe spe ิตปั๊บจิตพายุดยึดอะไรนะั่นอันนั้นคืออุปาทานอุปาทานพายุดยึดยังไงก็ไปเกิดอย่างงั้นที่เรียกว่าพบอุปาทานเป็นไปย้ายเกิดพยึดยังไงก็ไปอย่างงั้นยึดยังไงก็ไปเกิดอย่างงั้นเ mm hmm. มื่อมีพบแล้วคือที่เกิดเราจะต้องไปเกิดในที่นั้นเราจะต้องไปอบัติ เหมือนอย่าเราคิ ด, คดถึงงานเราออกจากนี้ไปปับ๊บเราจะต้องไปขีดไปเขียนไปนู่นไปนี่กับงานที่เราทํานั่นตรงนั้นคือพบ่วนหนึ่งเดี๋ยวเราไปโปรที่นู่นน่ะนั่นแหะคือชาติไปโปลที่นั่นแหล ะ, ลละเราพิจารณาให้ละเอียดอย่างนี้เราได้ข้อเทียบเคียงได้ได้ข้อเทียบเคียงเราไม่ต้องพูดถึงว่าพบหน้าเพราะการที่เราจะตายปับ๊บไปอบัติในพบหน้านั้นอ่ะมันเป็นของที่จะต้องเสียสละกันด้วยด้วยชีวิตนะแต่ถ้าเรามาพิจารณาถึงพบชาติของจิต เราพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าพบพบพบมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างนี้ชาติไปเกิดก็ไปเกิดอย่างนี้จะนั้นความดีใจความเสียใจมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในลําดับกับสิ่งเหล่านี้เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยอมีมีชาติเมื่อมีชาติมามีชร า, ม, ามีามามสโสกภริเทวทุกขโทมนัสอุปะยะัตเหียวแห้งระสมตรอ ม, ร ม, รมใจความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ เราดับตัญหาเสียได้มันจะสงบระงับสงบระงับดับได้ทั้งหมดสังขารทั้งหลายถูกดับวัตะสงสารก็ถูกดับอวิชชาก็ถูกดับในจิตดวงนี้มีวิชารู้สว่างสวายอยู่ที่ตัว่ราวิชาวิชานี้เราดูมาที่ผู้รู้ของเราในขณะที่ทำงานตื่นรสว่างอยู่เนี่ยตัญหามันแทรกเข้ามาไม่ได้อันนี้คือการพิจารณาการการสงบระงับ เราพูดทั้งนี้เราจับไปทำงานได้ทั้งทางคดีลโลกและทางคดีธรรมละเอียดมาจนถึงงานของสมถะและงานของวิปัสนาพวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาระยะเวลาบ่ายมองสิบนาทีกินเวลาก็ไปสิบนาทีแล้วพูดยังไม่ไปหน้า ม, มาหลังเลยวกอยู่ตรงนี้แหละนะจึงพอสมควรแก่เวลาพวกเราก็จะได้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 เหตุให้ถูกผลมันชี้ไม่ถูกที่เราจะชี้ผลให้ถูกกเหตุมันชี้ไม่ถู ก, ใ, ถ ก, ก, นถกในที่สุดเราก็ชี้ผิดผิดชี้ถูกถูกในที่สุดเราทําผิดผิดทำ gir, ถูกถู ก, ถกในที่สุดเราก็ได้สุขบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุขบ้างโกรธบา้างดีใจบ้างโกรธบ้างเครียดบา้บางชิงชังบา้งบาองาอะไรบ้างก็สับปนปนเปกันอยู่อย่างนี้ในที่สุดความสุขกับสุขบ้างทุกบ้าง ท, กาทกาุกบ้างสุขบ้างขอให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปพัฒนา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 เราได้ความรู้ทั้งทางหลักทฤษฎีและทางหลักแง่ของการปฏิบัติละเอียดเข้าไปจนถึงนางานหน้างาางานที่กำลังตั้งออกตั้งใจทาทั้งทั้งสมถะทั้งพิปัสนาพยายามทําจนเกิดผลในหัวใจของเราเราจะประสบความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันสาธุ อิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิชตะตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโปนระโสยถามิโชติระโสยถาสพีีิยวิวัตชันตุสพระโรคโควินัตสตุมาเตภวัตวันตรายโยสขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสีหริสนิจังุทธาปาจายนโน จ, จตารธรมาวัันติอายุปโนสุขังภาลัง